เกี่ยวกับเรื่องกายวาจานี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนวินัยปิดกทั้งหมดก็คือเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติทางกายกับวาจา น, นั่นแหละเนี่ยเพราะว่าผู้ที่ประพฤติในวจีละวะจีทูจริตประพฤติวจีสุจริตทั้งกายด้วยนะก็เรียกว่าบําเพ็ญวีรตีสามเนี่ยนะเพราะกายกับวาจานั่นแหละที่มาของอาชีพด้วยเนี่ยนะฝันอาชีพเหล่านี้เนี่ยถ้าประพฤติ ด, ดีปฏิบัติถูกก็เป็นอุปนิสัยแก่อารยมรรคด้วย ในคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะสำหรับผู้ที่อบรมธรรมะเพื่อความพ้นทุกเนี่ยจะต้องว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยจะต้องเป็นปัจจัยแก่วิเวกวิราคานิโรธน้อมไปเพื่อนิพานอย่างเดียวเดี๋ยนะจะต้องเป็นคําพูดที่ตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยเนี่ยคือทางแห่งทันิพานจะต้องมั่นใจขนาดนั้นนะจึงจะเรียกว่าผู้ที่ใช้คําได้ดีเยี่ยมเนี่ยนะผู้ที่มีถ้อยคําบริบูรณ์เลย เรียกว่าเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละนะเนี่ยเรียกว่าคนใช้กายเอ็คเรียกว่าประพฤติทางกายวาจาที่ดีเยี่ยมที่สุดเนี่ยนะทวร์อีกครั้งนะก็คือประพฤต์ละกายสุดจริตบําเพ็ญวจีสุดจริตที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยอาศัยวิเวกเนี่ยนะทั้งคืออาศัยสมถวิปัสนา อาศัยวิราคะคือสมถะวิปัสนาอาศัยนิโรธก็คือเกี่ยวกับสมถวิปัสนานั่นแหละแล้วการบรรําเพ็ญเหล่านี้ต้องเป็นไปเพื่อสละกิเลสมุ่งสู่พระนิพพานที่สงบประทับสังขารเป็นสิ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดเป็นอาชีพที่มุ่งเพื่ออริยมรรคเนี่ยนะที่จะดับกิเลสได้อย่างเนี้ยเป็นผู้ที่มีโมเนยธรรมทางกายและวาจาอย่างเยี่ยมเนี่ยนะที่สําคัญก็เนี่ยนะก็ลองบันทึกเทป ที่เคยพูดพูดมาแล้วก็มาฟังดูนะแต่โอ้ยฉันพูดอะไรไปขนาดนั้นอนะสงสารเลยนะทุกคำนะหนึ่งคาก็ชาวนะเจดวงไงให้พูดอเนี่ยหนึ่งคาก็เจ็ดชาวนะหนึ่งคำเจ็ดชาวนะวันหนึ่งพูดเท่าไหร่เนี่ยนะของมาเนี่ก็ว่างๆก็เอาสิ่งที่พูดมามาฟังอยู่เหมือนกันเนี่ยเทวทูตสูตรไปก่อนเขาก็เปิดสิ่งที่พูดไปให้ฟังนะเออเขาคอยช่วนะแต่ไปพูดเรื่องอื่นเวลาอื่นน่ะแย่เลยนะถ้าเปิดมาฟังโอ้ยแย่เลยนะอันคําพูดนี้สําคัญมากนะ เราจะอดโอยหอยหิวก็ชิวหานี่แหละจะตกนรกก็เฉีวหานี่แหละจะขึ้นสวรรค์ก็ชิวหายังนั่นแหละนะวาจานี่สําคัญมากแต่ในบรรดาผู้ที่เป็นมุนีทางวาจารจริงๆอ่ะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในบรรดาคนที่พูดมากที่สุดในโลกก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดมากที่สุดในโลกนั่นะง เราพูดหนึ่งคำพระนนท์พูดได้แปดคำพระนรินท์พูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้ร้อยกว่าคำนะโดยสรุปมันชั่วหลังเวลาฉันเนี่ยเทศได้เป็นนิกายแต่คําพูดของพระองค์ทั้งหมดไม่มีวจีเสียหายแม้แต่คําเดียวเป็นวจีเป็นคําพูดที่ว่าผู้ฟังแล้วไปปฏิบัติตามถึงความดับทุกข์ได้เน ผู้ที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามเนี่ยพ้นความทุกข์เพราะว่าผู้ที่พูดนั้นได้ทําปริญญาในวาจาอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคําที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะเป็นวจีที่เป็นคําพูดที่ละความชั่วสประการเป็นคําพูดที่เป็นไปกับความดีสประการเป็นคําพูดที่พิจารณาโดยละเอียดถีถ่วนรอบครอบแล้วนะเป็นคําพูดที่เกิดจากอริยมรรคเป็นปัจจัยเป็นคําพูดที่มีสัพพัญยุตยานเป็นปัจจัย เป็นคําพูดที่มีอาสาธารณนยาณหกเป็นปัจจัยหันวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นจึงเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นความจริงเรียกว่าวจีสัจจะที่สอดคล้องเพื่อปรมาทสัจจะเป็นคําพูดที่มุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมนั้นสิ่งที่พระองค์แสดงสิ่งที่พระองค์กล่าวจึงเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทีนี้โมเนยธรรมทางใจเนี่ยนะว่า โมนายธรรมทางใจนี่เป็นฉไนาการละมโนทุจริตสามอย่างชื่อว่าโมนายธรรมทางใจนะละอะละอภิชาละพยาบาทละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโมนายธรรมทางใจการบำเพ็ญมโนสุดจริตสามอย่างเนี่ยนะเนกข ม, มะหรืออัพยาปาทะเนี่ยนะอภยาปาทะก็คืออืมพอไปอานาพิชาก็คือเนกข ม, มะนั่นเองอนะอะนภิชา อนณาพิชาก็คือพวกความคิดที่เป็นไปเพื่อไม่เอาอ่ะเป็นเป็นเนคขมมะที่เป็นอสุภะเป็นต้นคำพูดที่เป็นอัพยปาธาก็เป็นคำที่ประกอบไปด้วยเมตตาเออเป็นความคิดที่เกิดร่วมกับเมตตาแล้วก็สัมมาทิฏฐิก็เป็นพวกธรรมสกตาเป็นวิปัสนาเนี่ยนะเป็นสัจจานุโลมิกยาณัะนะคนผู้ที่ มีมโนสุดเจริญสามอย่างคืออาณาพิชาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยานที่มีจิตเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็จิตทุกดวงทุกความคิดได้รับการพิจารณาได้รับการตรวจตราพิจารณาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จำแนกแจกแจงจิตอย่างละเอียดที่สุดเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้มีปัญญาพิจารณาจิตแล้วพระองค์เอาจิตนี้มาทําปริญญาเนี่ยนะ ทำปริญญานะที่พระองค์แนแนวทางไว้ในจิตตานุปัสนาใช่ไหมว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าจิตปราศจากราค่าเนี่ยนะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตะไม่เป็นมหาคตาจิต เป็นสัุตระอนุตระจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยนะสรุปก็คือโลกิยจิต8ปบเอดในโลกิยจิตเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ก็รอบรู้แม้กระทั่งวัตถุและอารมณ์ของจิตเหล่านั้นว่าจิตเหล่านั้นมีวัตถุเกิดจากอะไรอารมณ์ของจิตเหล่านั้นคืออะไรอะไร ประกอบร่วมกับจิตเหล่านั้นจิตเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วจิตเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปและวิเคราะห์แยกแยะจิตเหล่านั้นโดยขันอายตนาธาสัจจะอินทรปฏิจจะสมุบาทเนี่ยนะโดยกุศลอกุศลอัพยากตะจำนแนกแกะแงงอย่างละเอียดเนี่ยนะทั้งติกะมาติกะทุกกะมาติกะตามแนววิพัง์แม้กระทั่งตามแนวปัจจัย24่สิบสี่เนี่ยมันเป็นผู้ที่รอบรู้ในความคิดทุกกระเบียดนิ้วทุกแงม่มุม นะเมื่อพระองค์เนี่ยพิจารณาจิตอย่างเนี้อริยมรรคก็เกิดขึ้นโดยที่อาศัยการทำปริญญาในจิต น, นะจนสามารถละฉันทราฆะในจิตพระพุทธเจ้ามีความคิดแต่พระพุทธเจ้าไม่ติดข้องในความคิดไม่มีตันหาในความคิดไม่ได้ยึดถือความคิดไม่ได้สําคัญความคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะอันผู้ที่ละฉันทราคะในจิตแล้วก็ดับจิตตสังขาร จิตตะสังขารเป็นชื่อของเวทสัญญากับเวทนาถ้าจะดับจิตตะสังขา น, นั้นก็ต้องบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธคือนิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละจึงจะดับจิตตสังขารได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีโมเนยธรรมทางใจนะสรุปว่าโมเนยธรรมทางกายทางวาจาและทางใจโมเนยธรรมทั้งสามทวารเนี่ยนะก็คือละความชั่วทางกายวาจาและใจ ประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและใจปัญญามีกายวาจาใจเป็นอารมณ์การเอากายวาจาใจมาทำยาตะปริญญาตีนนะปริญญาและปหานะปริญญาอาศัยการทําปริญญาในทวารสามนี่แหละทําให้บรรลุอริยมรรตตัดฉันธราคะในกายวาจาและใจนะดับกายดับกายด้วยจตุตัชานดับวาจาด้วยทุติยะชาน ดับจิตด้วยสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยนะเนะพราะมันผู้ที่พิจารณาหรือปฏิบัติเนี่ยนะจะต้องทำกิจในสิ่งเหล่านี้ในการละกายทุจริตวจีทุจริตพระพุทธเจ้าสอนด้วยแสดงอภิธรรมพระวินัยปิฎกเนี่ยนะละมนโนทุจริตเนี่ยนะด้วยพระสุตันตปิฎกกับพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะมันเป็นคำสอน พระไตรปิฎกนั้นเป็นคำสอนที่ประพฤติสุดจริตทางกายวาจาและใจนะเพื่อให้กำหนดรอบรู้พิจารณากายวาจาและใจแล้วจะได้เอากายวาจาใจเนี่ยมาทำปริญญาโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอันผู้ที่ประพฤติคุณธรรมคือความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาและทางใจอ่ะนะก็เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรยมรจริงจริงอริยม ร, รยมคืออะไรก็คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจ พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลก็คือกายวาจานั่นเองพระสะกะทาคามีก็บริสุทธิ์ทางกายวาจาเป็นอย่างเยี่ยมพระนาคามีเนี่ยบริสุทธิ์ทางสมาธิเนี่ยนะเรียกว่ากายวาจาสมาธิท่านดีพระอรหันต์ก็บริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและ นะอันทารหารเป็นผู้ที่ไม่มีโทษทางกายวาจาและใจอันข้อปฏิบัติในพระาศาสนานี้ก็คือการละความชั่วทางกายวาจาใจประพฤติทางกายวาจาใจเนี่ยจนเรียกว่าตัดกิเลสตัดตัณหาได้ทั้งทุกทวารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวบุคคลผู้เป็นมุนีทางกายมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจ น, นะ มุนีทางกายก็ละความชั่วทางกายมุนีทางวาจาก็ละความชั่วทางวาจามุนีทางใจก็ละความชั่วทางใจหาอาสวะมิได้คือละอกุศลทั้งปวงว่าเป็นมุนีมุนีพูดถึงพร้อมด้วยธรรมที่ทําให้เป็นมุนีเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงนี่นะมุนีจริงๆก็คือละกิเลสทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวบุคคลผู้เป็นมุนีทางกายมุนีทางวาจามุนีทางใจผู้หาอาสวะมิได้ว่าเป็นมุนี ผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมที่ทำให้เป็นมุนีเป็นผู้มีบาปอันล้างเสียแล้วนะฮนผู้ที่เป็นมุนีทางกายวาจายอย่างแท้จริงก็คือไม่มีกิเลสในทางกายวาจาใจเป็นผู้มีบาปอันล้างโดยประการทั้งปวงจึงจะเป็นมุนีทีนี้ผู้ที่เป็นมุนีเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นมุนีทั้งสามเนี่ยนะทางกายวาจาใจเนี่ยแบ่งออกเป็นหกจาพวกจะพวกที่หนึ่งก็คืออาคารมุนี มุนีแบบมีบ้านเรือนสองก็อนาคารมุนีก็คือมุนีที่เป็นนักบวชทีนี้มุนีเหล่านั้นก็แบ่งเป็นเสขามุนีกับอาเสขามุนีนะอาเสขามุนีก็ยังแบ่งเป็นปัจเจกามุนีแล้วก็มุนีมุนีเนี่ยนะอาคารมุนีเนี่ยนะคือคือผู้ที่ครองเรือนมีนิพพานอันเห็นแล้วมีศาสนาอันรู้แจ้งแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าอาคารมุนี พวกอาคารมุนีเนี่ยนะอย่างเบาที่สุดคือพระโสดาบันพระสกธาคามีพระนาคามีที่ยังอยู่ในบ้านเรือนคือคนที่เห็นนิพานประพฤติไตรสิกขาคืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเนี่ยนะแต่ว่าพระโสดาบันพระสกธาคามีพระนาคามีที่ครองเรือนเนี่ยนะกะ็มีศีลบริสุทธิ์ตามสมควรพระนาคามีทุกคนจะได้ฌานหมดเลยนะเป็นสมัยพุทธกาลนะอย่างเช่นนันทมารดา อ่ า, อาหัตถะอุบาสกเป็นต้นเนี่ยที่เป็นพระนาคามีเนี่ยจะมีสมาธิบริบูรณ์กันทั้งนั้นเลยคือทุกคนได้ฌานกันหมดเนี่ยนะได้ฌานสี่เพราะฉะนั้นมุนีผู้ครองเรือนก็เน้นเอาผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วก็ยังบําเพ็ญไตรสิกขาหรือเป็นผู้ที่รู้แจ้งในไตรสิกขาอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาแต่ยังอยู่ในบ้านในเรือนชื่อว่าอาคารมุนีเรายังมีอาคารอยู่นะ แล้วก็ตรงนี้เอาพระอริยะเลยนะเอาพระอริยะเป็นหลักของเราก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีใช่ไหมยังยังไม่ใช่มุนีแต่กำลังปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีเนี่ยนะกำลังศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีอยู่หกันส่วนอนาคารมุนีก็คือชนเหลา่าใดออกบวชมีบทคืนนิพพานอันเห็นแล้วมีศาสนาอันรู้แจ้งแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าอนาคารามุนีก็คือเป็นพระอริยะโดยเพศนักบวช หรืออยู่ในเพศนักบวชนี่แหละชื่อว่าอนาคาริยมุนีอนาคาระมุนีเนี่ยนะปัาคาระมุนีก็คือพระอริยะที่เป็นคารวาตอนาคาระมุนีก็คือพระอริยะที่ออกบวชเนี่ยนะก็จึงแบ่งออกเป็นสองที่นี้พระอริยะเหล่านั้นถ้าแบ่งก็คือแบ่งเป็นพระเสขากับอาเสขะ อเสขาพระเสขาก็คือผู้ที่ได้โสดาปิตมักโสดาปิตผลสกข า, าคามีมักสกข า, าคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตตมักเนี่ยเรียกว่าเสขะเพราะยังศึกษาในไตรสิกขาอยู่เนี่ยนะส่วนอาเสขาก็คืออรหัตตผลเริ่มแต่อรหั ต, ตผลเนี่ยนะเรียกว่าอาเสขะทีนี้พระอาเสขะเนี่ยพระอรหันต์ก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นพุทธสาวกกลุ่มพระประเจกกับกลุ่ม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระปัจเจกเาเรียกว่าปัจเจกับมุนีถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเ็าเรียกว่าพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ชื่อว่ามุนีมุนีเนี่ยนะ